เรื่องเทคนิคการปฏิบัติภาวนาโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปร่วมจัดทาโดยศิวกรอุญจิตศิละปะกรอุญจิตน้องปัญญากรดาอุญจิตการเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถขณะเดินจงกรมนี้เราก็บริกรรมเหมือนกันเหมือนเวลาเราเดินไปธรรมดา ทางเดินจงกรมควรจะให้ยาวพอสมควรยาวถึงสิหาเมตรหรือ20เมตรก็ดีมากแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็เดินใกล้กว่านั้นแต่เดินไปแล้วสุดทางแล้วให้หยุดยืนอยู่ก่อนแล้วจึงค่อยๆหมุนตัวกลับมากลับคืนมาแล้วก็ค่อยๆเดินกลับเดินจงกรมนั้นเริ่มต้นให้หยุดยืนกำหนดจิตอยู่ แล้วก็ให้ยกมือไหว้ก่อนแล้วจึงเริ่มเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมอย่างน้อยกว่า15นาทีหรือ20สิบนาทีถ้าไปทำความเพียรอย่างอยู่ในวัดในป่าควรจะเดินประมาณสามสิบนาทีอย่างน้อยที่สุดเดินได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถึงชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีเพื่อให้ร่างกายของเรานี้เปลี่ยนอิริยาบถให้ดี เวลาเราไปนั่งก็จะนั่งได้ทนการเดินจงกรมมีอนิสงส์ดังนี้ 1. สามารถทำให้เราเดินทางไกลได้ดี 2. ช่วยย่อยอาหารดี 3. ร่างกายแข็งแรง 4. ไม่ค่อยเป็นโรคภัยไข้เจ็บและทําทำให้จิตใจนิ่งสงบหนักแน่นดี ถ้าเรามีแต่นั่งอย่างเดียวเราจะเดินทางทางไกลไม่ได้มันจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บได้ง่ายเหตุฉนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนอุรยาบทที่ดีมากเวลาเดินเราก็กำหนดไปดูลมไปนี่แหละไม่ให้จิตของเราไปที่ไหนให้อยู่กับตัวของเราก็ทำเหมือนนั่งแต่ว่าการเดินจงกรมนี้จิตของเรามันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ ต้องลงมาสั่งงานให้ก้าวขามันจึงลงมาที่เท้าเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาหาลมหายใจเข้าออกแต่อย่าให้มันออกไปจากร่างกายของเราก็พอจะให้มันสงบแนบแน่นจริงๆเหมือนอย่างนั่งไม่ได้เพราะมันเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นเองถ้ามีปีติเกิดขึ้นว่าตนเองนี้กำลังสร้างความเพียรทำความเพียรเพื่อทางพ้นทุกข์อยู่เกิดมันนึกขึ้นมาอย่างนี้นะ มันจะเดินจงกรมเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะเดินได้นานถ้ามันเดินตัวเบาสบายแล้วมันจะเดินได้นานมากมีความสุขกับความเบาด้วยเหมือนกันจะมองเห็นว่าเรานี่ทำความเพียรอยู่เป็นคนไม่ประมาทตรงนี้แหละจะมีปีติเกิดขึ้นจะเดินเร็วกว่าเดิมหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพอเดินจงกรมเสร็จเราก็มานั่งพักเสียก่อน อย่าเพิ่งไปนั่งทำสมาธินั่งพักผ่อนร่างกายเมื่อพักผ่อนร่างกายแล้วจึงเข้าไปนั่งสมาธิตามที่เราฝึกกันถ้าเราเดินส0นาทีเรานั่งทำสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงซึ่งเรายังถือว่าน้อยอยู่เราก็ค่อยเพิ่มขึ้นถ้าเราเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนั่งได้น้อยถือว่าร่างกายของเรายังไม่ไหว เช่นเดินชั่วโมงหนึ่งเราก็นั่งได้40สบนาทีมันเพลียมันง่วงถือว่าร่างกายของเรายัางไม่สมบูรณ์มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าร่างกายสมบูรณ์หากเราเดินจงกรมได้สองชั่วโมงแล้วเรานั่งจะนั่งได้น้อยเพราะมันเหนื่อยเราก็ต้องลดการเดินจงกรมลงมาเพื่อให้นั่งได้มากขึ้น ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเดินจงกรมสี่ชั่วโมงจึงมานั่งสำหรับอาตมาเนี่ยเดินตามปกติก็กำลังเร่งความเพียรต้องเดินจงกรมสองชั่วโมงครึ่งแล้วเวลามานั่งได้สองชั่วโมงครึ่งเหมือนกันถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราลดการเดินจงกรมลงมาหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเราก็นั่งได้สามชั่วโมงถ้าจำเป็นจริงๆ เรามาเดินชั่วโมงครึ่งแต่เรานั่งได้ถึงสี่ชั่วโมงให้เลือกเอาในระหว่างนี้ถ้าเราเลือกเอานั่งมากกว่าก็เดินน้อยลงแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้น้อยกว่า40นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายของเรานี้เคลื่อนไหวได้ดีเลือดลมวิ่งได้ดีแข็งแรงด้วยเดินทางไกลก็ดีโรภคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียน เมื่อเรารับประทานอาหารใหม่ๆให้นั่งพักสักหน่อยก่อนมาเดินจงกรมให้อาหารย่อยดีสักก่อนพอพักผ่อนแล้วจึงมานั่งทำสมาธิต่อไปการยืนการยืนพิจารณานี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้เคลื่อนไหว แต่จะยืนไม่ทนก็จะปวดขาแต่ทําสมาธิได้ยืนเดินแล้วก็นั่งนอนการนอนนี้เป็นอิริยาบถ ท, ที่คนหลับง่ายเป็นอิริยาบถ ท, ที่สบายที่สุดของร่างกายของคนถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบดีจริงๆก่อนเราจะไปนอนทําสมาธิไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวมันหลับไปก่อน มันจะไม่เจริญไม่ก้าวหน้าในการทำสมาธิถ้านอนทำเหตุฉนั้นต้องคุมสามอิรยาบทเสียก่อนถ้าหากเราทำความเพียรของเราพอมันดึกแล้วถึงห้าทุ่มเราจะพักผ่อนถ้าเรามาทำความเพียรจริงๆเราพักผ่อนก็จะนอนเราก็นอนกำหนดตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็นอนกำหนดไป หรือจะแผ่เมตตาเสียก่อนก็ดีนอนกำหนดบริกา ร, รเหมือนเวลานั่งจนมันหลับหลับกับการบริกา ร, รมภาวนาข้อธรรมกรรมฐานมันหลับแล้วพอเราตื่นขึ้นมันอิ่มตื่นถึงตีสองครึ่งถึงตีสามเราก็กราบ เรารีบนั่งสมาธิเลยระยะนั้นเพราะการนั่งทำสมาธิตอนเช้าเนี่ยอาหารมันย่อยแล้วมันจะนั่งได้ดีกว่าตอนกลางวันหรือหัวค่ำร่างกายมันเบาๆดีเราจะนั่งได้ทนทำจิตใจสงบได้เร็วกว่ามากการทำสมาธิตอนเช้าเนี่ยดีกว่าทุกเวลาเราอาหารย่อยหมดแล้วร่างกายเบาสบายดีฉะนั้นคนมาทำความเพียร ท่านจึงไม่ให้รับประทานอาหารตอนเย็นตอนเที่ยงแล้วไปพยายามที่จะให้สองมือพออย่างมากเช้าแล้วก็มาส1บอ็ดโมงเพราะตอนเย็นไม่ต้องรับประทานอาหารกินแต่น้ำหรือสิ่งจำเป็นที่ควรร่างกายเราเบาเราจะทำความเพียรได้มากถ้าคนไหนมาทำความเพียรถือแต่ศีลห้าอย่างนี้แล้วไปรับประทานอาหารตอนเย็นอยู่ยากคนนั้นจะง่วง มันง่วงมันหนักร่างกายจะไม่เจริญก้าวหน้าในการทำสมาธิเหตุฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรจึงเป็นผู้ไม่กังวลกับอาหารตอนเย็นเวลาเรานั่งทำสมาธิถ้ามันง่วงเราต้องสังเกตเรื่องอาหารถ้าเรารับประทานอาหารเป็นข้าวมันมะม่วงสุกหรือว่าข้าวมันทุเรียนหรือกินอาหารมันเป็นหมู หรือกินข้าวมันมะพร้าวฟักทองมันอะไรก็แล้วแต่จำพวกนี้ถ้ามันทำให้เราง่วงก็ควรเลิกสิ่งอย่างนั้นอย่าไปรับประทานถ้ารับประทานก็ต้องรับประทานแต่น้อยเพื่อไม่ให้ง่วงซึมการบำเพ็ญภาวนาต้องการความแช่มชื่นเบิกบานเราต้องพยายามปรับตัวเวลารับประทานอาหารก็อย่ารับประทานอาหารมาก นักปฏิบัติจริงๆพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้พิกุพิกุณีพิกุโนโก็ดีนักปฏิบัติทั้งหลายเวลาเรารับประทานอาหารหรือภิกษุฉันอาหารใกล้จะอิ่มเหลือประมาณสักหําคำนี้ให้หยุดซะคานวณว่าเราเคยรับประทานอาหาร20สิคำมันอิ่มอย่างนี้นะเราควรจะกินให้ได้ประมาณสัก 15-16 คําคำแล้วไปดื่มน้าก็จะพอดี ฉานน้ำกินน้ำมันจะพอดีถ้าเราไปรับประทานอาหารให้อิ่มพอเพียงเราไปดื่มน้ำแล้วจะอึดอัดร่างกายมันจะหนักไม่ดีตรงนี้ถ้าเรารับประทานข้าวเหนียวทำให้ง่วงเราควรที่จะรับประทานข้าวเจ้าข้าวเจ้าเนี่ยไม่ทำให้ง่วงอิ่มขนาดนี้ละ่ะพอดีกับร่างกายของเรา เราควรจะรับประทานให้พอดีกับร่างกายของเราแต่ละครั้งอย่าไปรับประทานอาหารมากพระนักปฏิบัติท่านก็ไม่ให้ฉันมากให้พอดีกับร่างกายแล้วอยู่สบายก็ถอยห่างเอารับประทานเท่านี้ช้อนจำไว้ถ้าหิวอยู่เบาเกินไปก็เพิ่มขึ้นไปถ้าเกิดง่วงหนักเกินไปเราก็ลดอาหารลงมา แม้อาหารที่ตนเองชอบที่สุดก็ตามอย่าไปรับประทานมากต้องระวังตลอดเรื่องอาหารถ้าใครระวังได้อย่างนั้นจะทําให้ตนเองร่างกายเบาแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีมากกว่าทุกๆคนเวลาเราทำใหม่ๆมันก็เพลียบ้างง่วงบ้างอย่าไปหวั่นไหวกับมันถ้ามันง่วงอาตมาก็ไม่อยากให้นักปฏิบัติทั้งหลายดื่มกาแฟ ทั้งพระทั้งโยมก็ดีปลุกให้มันสดชื่นด้วยกาแฟอย่าไปทำอย่างนั้นให้เราปลุกมันสดชื่นด้วยการระลึกถึงพระรัตนตรัยและการตั้งใจทำความดีของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไปอาศัยยาไปอาศัยกาแฟอย่างนั้นไม่ดีหากไม่มีแล้วจะทำให้ง่วงทำให้เราติดทางที่ดีที่สุดอย่าไปดื่มถ้าดื่มน้อยๆตามธรรมดาก็ไม่เป็นอะไร อย่าไปดื่มแก่ๆหวังจะให้นั่งได้มากวันนี้ไม่ให้หลับไม่ได้ความแล้วอย่างนั้นไม่ดีเอเชนั้นอาตมาจึงเลิกชากาแฟโกโก้มาได้สิปีแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกาแฟโกโก้ไปลองชันโกโก้ที่เวลลิงตันทำให้เจ็บท้องลองดูเฉยๆก็หยุดก็เลิกไม่เกี่ยวข้องเข็ดแล้วไม่เอาแล้วเราต้องเลือกหาเลือกรับประทานอาหารทุกอย่าง อะไรทำให้เจ็บท้องกวนท้องเราก็พยายามดูสิ่งนี้ควรหยุดสิ่งนี้ต้องรับประทานแล้วท้องจะเบาสบายไม่ร้อนไม่อืดอย่างนี้เราต้องหาต้องเลือกทานอาหารชนิดนั้นจะเป็นน้ำพริกจะต้มผักหรือจะกินแกงชนิดไหนหรืออาหารชนิดใดเราหามาได้มันไม่รบกวนเราก็พยายามโยมเนี่ยก็ต้องพยายามปรับ หาอาหารเฉพาะที่เหมาะกับร่างกายตนเองได้ไม่เหมือนพระพระเนี่เลือกไม่ได้แล้วแต่มันจะมีมาต้องเลือกเอาเท่านั้นเองแล้วแต่โยมจะถวายอะไรมาเลือกเอาว่าอะไรควรฉันอะไรไม่ควรฉันดังนี้เวลาพระไปฉันที่บ้านอย่าไปรบกวนท่านอย่าไปคุมไปกำกับว่าท่านต้องฉันอันนั้นอันนี้ท่านจะเลือกหาเอาเองที่มันเหมาะสมกับร่างกายของท่าน ไม่มีอะไรรบกวนที่ท่านสบายท่านจะเลือกหาอย่างนั้นของท่านเองไม่ต้องไปพูดถึงเพราะท่านเลือกมานานแล้วท่านต้องรู้จักอาหารต่างๆผู้ที่รู้จักจัดอาหารบริโภคของตนเองนั้นจะเป็นคนไม่มีโรคพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าเป็นคนอยู่สบายคนในโลกอะไรก็กินหมดคนนั้นเป็นโรคง่ายเป็นคนไม่ระวังตนเอง เอะนั้นร่างกายของคนเนี่ยอาหารการกินมันต่างกันรสชาติก็ชอบต่างกันบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ชอบขมบางคนก็ชอบเผ็ดบางคนก็ชอบเค็มบางคนก็ชอบมันบางคนก็ชอบจืดนั่นนะอะไรมันทาให้สบายที่สุดต้องเลือกหารสอาหารทั้งหลายเหล่านี้ สถานที่สัปปายะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนการไปปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นสัพปายะ 1. สถานที่สงบ 2. ไม่เป็นหนทางที่คนเดินพลุกพล่านจอแจ 3. ไม่เป็นสถานที่ก่อสร้างอยู่ตลอดทั้งแรงทั้งฝนซึ่งทำให้ไม่สงบ 4. ไม่อยู่ใกล้ท่าน้ำที่คนลงอาบน้ำา 5. ไม่เป็นสถานที่เขาไปหาหลักหาฟืน6ไม่เป็นสถานที่เป็นสวนดอกไม้ที่คนมาท่องเที่ยวกัน 7. ต้องมีบุคคลสัพายะก็คือมีอาจารย์สอน 8. สถานที่นั้นไม่อยู่ทางตะวันตกของหมู่บ้านต้องอยู่ทิศ ใ, ใต้ทิศเหนือ หรือที่ตะวันออกของหมู่บ้าน 9. คนอยู่ด้วยกันเป็นหมู่รักตนทุกคนรักสงบเหมือนกันเพื่อจะให้มีศีลเสมอกันช่วยรักษาความสงบเหมือนกัน 10. มีขีฬลานัสั์ปายะคือมียาพอจะรักษาตนเองได้เรื่องอาหารเนี่ยก็พูดกันไปแล้วรวมแล้วเป็นสิบอย่าง ถ้าไม่ได้ถึงสิบอย่างก็ให้ได้สักห้าอย่างก็ยังดีสำนักปฏิบัติที่สงบนี้มันเป็นสถานที่อํานวยสิ่งแวดล้อมมันอํานวยที่มันสงบเวลาเรานั่งทำสมาธินี่เรามองเห็นจิตของเราง่ายพอได้ยินเสียงจิตมันวิ่งออกไปใช่ไม้มวิ่งออกไปหาเสียงนี่เราเห็นได้ง่ายเรามองเห็นจิตของเราได้ง่าย ถ้าหากเป็นที่คลุกคลีนั้นเรามองไม่เห็นจิตของเราเลยมันออกไปไม่รู้มันไปไหนมันวิ่งอยู่แวบไปนั่นแวบไปนี่เรามองไม่เห็นจิตเลยจับมันไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่สงบมันจึงเป็นสถานที่จับจิตของตนเองมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ดีนั่นคือสถานที่สัปปายะดังเด็กล่ามาก็ยังดี ถ้าหากว่ามันไม่ได้มากๆถึงขนาด1ิบอย่างก็ให้ได้5ถึง6อย่างสรุปสถานที่สัปปายะคือ 1. สถานที่ไม่ก่อสร้าง 2. ไม่อยู่ในทางผ่าน 3. ไม่อยู่ใกล้ท่าน้ำา 4. ไม่อยู่ที่หาหลักหาฝืน 5. มีอาจารย์สอน 6. มียาวรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกินพอฉันพอมีคุณสมบัติห้าถึงหอย่างนี้ก็ใช้ได้นักปฏิบัติใหม่พระพุทธเจ้าไม่ให้อยู่อาวาสที่ทางคนพลุกพล่านมันไม่สงบไม่ให้อยู่วัดที่ก่อสร้างทั้งแล้งทั้งพรรษาไม่ให้อยู่วัดที่ปลูกแต่สวนดอกไม้ท่านไม่ให้อยู่ให้หนี คนพากันมาเที่ยวชมดอกไม้ดอกนั้นสวยดอกนี้ไม่สวยเดี๋ยวมันก็เข้าไปจับใจของผู้ปฏิบัติมันไม่สงบเสียหายครั้นอยู่ใกล้ท่าน้ำเขาก็ลงเล่นน้ำร้องเล่นสนุกสนานเรื่นเริงรบ ก, กวนอีกก็ไม่สงบเขามาหาหลักหาฟืนเขาก็ร้องเพลงก็ไม่สงบอีกอาว่าที่ไม่ควรเช่นวัดเราอยู่ตะวันตก บ้านคนอยู่ตะวันออกเมื่อคนเขาคุยกันเสียงมันดังเข้าวัดก็ไม่สงบวัดที่ไม่มียาวรักษาโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ไม่ให้อยู่มันไม่สับปลายะเรื่องอาหารเราชอบจืดอย่างนี้เกิดมีแต่อาหารเค็มๆ ม, มันอยู่ไม่ได้เราชอบหวานมีแต่ของเปเรี้ยวๆท่านก็ให้เลือกนะ ระยะนั้นมันกําลังติดอยู่กําลังขึงขังกาลังทาใหม่เวลามันแก่เท่ามาดีจริงๆมันจะละสิ่งนั้นทิ้งเองกําลังฝึกใหม่เนี่ยเรียกว่าหาสนองกิเลสอยู่หาสนองจริตอยู่เพื่อให้เข้ากับจริตมันชอบเปรี้ยวมันไปโดนของหวานไม่ไหวควรจะให้ไปอยู่กับของเปรี้ยก่อนถ้าชอบจืด ก็ให้ไปอยู่ที่อาหารรสจืดจืดก่อนอาหารหวานไม่เอาให้มันอยู่ที่ชอบก่อนเวลามันภาวนา ด, ดีจิตใจสงบดีแล้วมันทิ้งของมันได้เองหรอกมันเลือกของมันเองเมื่อทิ้งได้แล้วมันก็ทำให้สบายดีตรงนี้บัดนี้ดูร่างกายของเราเวลานั่งทำสมาธิถ้ากระดูกเขา่ากระดูกโคนขาไม่ดี เรานั่งทนไม่ได้มันเจ็บมันปวดเราก็ต้องพยายามหาวิธีนั่งแบบที่จะนั่งได้ทนที่สุดไม่บังคับให้นั่งขัดสมาธิอย่างเดียวถ้าขาเราไม่ดีเราก็นั่งเก้าอี้เพราะเราไม่ได้ไปคุมที่ขาเราคุมจิตใจอยู่ภาวนาแท้ๆเราไม่ได้คุมที่ขาขามันจะอยู่อย่างไรก็ช่างมันแต่ว่าเพราะร่างกายของเราไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์ เราก็จะคุมจิตนั่งแบบไหนนั่งพับเพียบทนหรือนั่งสมาธิทนหรือนั่งเก้าอี้ทนเราต้องดูนะดูว่าอะไรมันจะนําจิตใจให้สงบได้เร็วที่สุดเราก็มองหาอย่างนั้นถ้ามันนั่งแล้วง่วงเราก็เดินจงกรมนะอย่านั่งต่อมันแก้ง่วงได้เดินจงกรมให้มันชื่นมืน่นเดี๋ยวมานั่งใหม่ ถ้าร่างกายของเราอ่อนเพลียจริงๆเราเดินทางไกลยอย่างนี้นะเราก็ควรที่จะพักผ่อนไปไม่ไหวร่างกายต้องพักผ่อนแต่จิตไม่พักนะแต่ร่างกายมันไปด้วยไม่ได้นะ่ะมันคนละส่วนกันเราก็ต้องการพักผ่อนก็นอนเราอย่าไปหักโหมเกินไปเราอย่าเอาเป็นอัตกิละมะัฐานุโยกการบังคับตนไม่หลับไม่นอนเดินจงกรมทั้งคืน นั่งทั้งคืนหมดวันยันรุง่งเป็นอัตตกิฬามาถานุโยกการประกอบตนให้เหนืดเหนื่อยเปล่านี้แหลททำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั่นทุกขโขอนริโยไม่ไปจากฆาสึกคือกิเลสไม่ใช่ทางพระอริยธรรมอนนัทธสันหิโตไม่ประกอบได้อย่างหนึ่งไม่ใช่หนทางหมดวันหมดคืนแต่กลางวันนอนหมดวันมันไม่ได้เรื่องอะไร ต้องแบ่งเวลานอนเวลากลางวันก็นอนบ้างกลางคืนก็นอนบ้างแต่มันคนละเวลากันถ้าเรานอนกลางคืนหมดคืนกลางวันมาทำความเพียรทำความเพียรหมดคืนมานอนกลางวันก็ไม่เป็นไรหาวิธีพักผ่อนร่างกายบางคนเดินจงกรมทั้งวันกลางคืนก็ไม่หลับไม่นานก็ล้มป่วยไปมิรอดแล้ว เราต้องพักถ้าทำทำสักคืนหนึ่งกลางวันพักวันหลังมาทำไม่เป็นไรรอกลางวันก็ได้พักอยู่ร่างกายไม่เป็นอะไรอัตตากิลมัฐานุโยกอดข้าวอดอาหารร่างกายมันต้องกินอาหารพอไปอดอดอดไปป่วยสิร่างกายมันซุดลงไม่รู้ตัวล้มไม่รู้ตัวตายไม่รู้ตัว ชนิดนี้เป็นอัตกิลามาฐานุโยกเราต้องรู้จักสภาวะร่างกายของเราเพราะเราเอาร่างกายทำความเพียรเราต้องรู้จักรักษาพอให้มันประทังไปได้การมาสุขคันลิกานุโยกคือความเพียนล่าช้าหว่วแต่เพลิดเพลินอยากฟังดนตรีอยากไปเที่ยวสนุกสนานดูหนังดูลิเกบ้างจิตใจมันยึดสนุกสนาน ไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมหาแต่เรื่องสนุกอันนั้นก็ช้าคนเดินทางช้าไม่ใช่ทางพระอริยเจ้าท่านทำทำให้เสียการเสียเวลาการทำความเพียรต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางให้พอดีพอดีถ้าบางคนตึงเกินไปสมมุติเราเดินทางอยู่เราวิ่งเองอยังไปไม่ถึงหมู่บ้านที่เราจะไป ล้มกลางทางแล้วเห็นหั้มตายอยู่กลางทางไปไม่รอดถ้าเราเดินช้าเกินไปเดินเล่นอยู่ก็ไม่ถึงเราต้องเดินก้าวขาพอดีพอดีจึงจะไม่เหนื่อยจึงถึงหมู่บ้านที่เราจะไปพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เดินสายกลางวิธีทมความเพียรทางสายกลางก็คือเหมาะกับร่างกายของตอนเองแต่ละคน เขาตัวใหญ่เขาแข็งแรงเขาทำได้หนักกว่าเราตัวน้อยเราก็เอาแบบใหม่เดินได้น้อยเราก็นั่งนั่งดูเพราะฝึกจิตเหมือนกันเหมาะกับร่างกายแต่ไม่ได้ไปตามใจกิเลสนะกิเลสมันชอบนอนก็นอนแบบนั้นไม่ใช่แต่เราฝืนมันอยู่สมมติเรานั่งได้20สนาทีเราฝืนไปพยายามให้มันได้25ิหหรือสาสิบ ได้30นาทีเราก็พยายามฝืนให้มันได้35นาทีมันถึงเวลาเราก็อย่าเพิ่งลุกออกจากนั่งฝืนๆบ้างบังคับมันบ้างเพื่อให้มันก้าวหน้าอย่าเอาแค่เดิมเท่านั้นบางทีอาจจะน้อยกว่าเดิมถ้ามันสั้นแต่ว่าเรามีเวลาว่างเรามีความตั้งใจทำให้มันมีระบบมีเกณฑ์เคยนั่ง30นาที วันนี้เราต้องเอาให้เกินนั้นไปเกิดมันเบามันสบายมันเกิดของมันเองมันไปของมันเองชั่วโมงหนึ่งก็เป็นเรื่องเล็กเข้าไปแล้วให้จิตใจสงบแล้วมันเบาเราก็ควรพยายามฝืนบ้างแต่อย่าลืมว่าอิทิบาสีนั้นต้องมีฉันทะาความพอใจในการที่จะทำความเพียรของตนวิริยะ ต้องพยายามเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาจิตตะเอาใจฝักฝ่อยู่มีช่องว่างเมื่อไรก็ต้องทำเมื่อนั้นทำอยู่พิจารณาอยู่วิมังสาตริตรองเหตุผลถ้าจิตใจของตนนั้นสงบเป็นสมาธิเราจะได้รับความสุขธรรมสี่อย่างนี้ต้องเป็นเครื่องประกอบตลอดไปในการทำความเพียร และทำกิจการงานทุกอย่างทั้งด้านวัตถุก็เหมือนกันธรรมะสี่อย่างนี้ต้องเป็นเครื่องประกอบอย่างดีความเพียรก็เรียกว่าอิทธิบาสีเป็นบทเป็นบาทในการที่จะเดินทางและไปให้ถึงจุดหมายปลายทางและสำเร็จได้ถ้าขาดแล้วไม่ได้เลยขาดข้อเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรามีฉันทะความพอใจอยู่อยากทาความเพียร แต่ไม่มีวิริยะไม่นั่งไม่เดินจงกรมได้ข้อเดียวไปไม่ได้ถ้าเรามีความเพียรอยู่มีชันทะและมีความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่แต่มันทําเป็นระยะๆะะไม่ฝักไฟเลยเวลามีช่องว่างไม่ดูความเพียรก็ไม่ต่ออีกต้องดูช่องว่างเมื่อไหร่ทําความเพียรทั้งนั้นไม่เลือกเช้าสายบ่ายเที่ยงเลย เป็นเพราะธรรมะมันเป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการถ้าเราทาจิตใจของเราสงบเดี๋ยวนี้เราก็สุขเดี๋ยวนี้เราไปสงบเที่ยงคืนเราก็สุขเที่ยงคืนเราสงบตีสองเราก็มีความสุขตีสองถ้ากลางวันเราสงบเราก็มีความสุขเวลาไหนไม่เลือกทำความเพียรไม่เลือกการไม่เลือกเวลา เป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาท่านจึงให้ทำได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าเลือกคําแล้วจึงจะทำกลางคืนจึงจะทำไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ตั้งใจทำต่อไปนึกว่าเรามาทำความเพียรตื่นมาก็ยังชื่นอยู่นั่งใครไม่นั่งก็ช่างใครจะนอนกรนอยู่ก็ช่างเราต้องทําของเราให้ทาอย่างนั้น ต, ต้องใจกล้าหาญยืนหยัดมั่นคงไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ตั้งใจทำเห็นเข้านอนเราก็อยากนอนอย่าไปทำทางที่ดีที่สุดให้หมู่นอนหลับเราตื่นนั่งทำสมาธิชื่นที่สุดเลยยิ่งมีปีติยิ่งมีความแช่มชื่นถือว่าคนอื่นประมาทไม่สร้างความดีไม่ทำความดีตัวเราเองนี่กำลังทำความดี อาตมาทำอย่างนั้นเวลาอาตมาไปในการพระห้าสิบองค์ร้อยองค์นอนในป ร, รามมากๆอาตมาจะนอนภาวนาเล่นซะ ก, ก่อนเพราพระเนนอนหลับหมดแล้วอาตมาลุกนั่งจนยันรุ่งเลยนั่งดูเหมือนกับคนประมาทเลยพระทั้งเท่าทั้งหนุ่มทั้งแก่นอนคลางอือออยู่โอ้ยยิ่งชื่นยิงสงบเห็นพวกนั้นประมาทมีแต่นอนเราเนี่ยไม่ได้ประมาทนิ่ง ดีมากเลยอาตมาอยากให้ญาติโยมทำเหมือนกันนะเพื่อจะได้ชื่นใจเรามาทำความเพียรเราไม่ใช่มาประมาทไม่ใช่มาเล่นเราต้องการความพ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานเราต้องวางเป้าหมายเราไว้อย่างนั้นถ้าหากยังไม่ถึงจะให้เราเป็นผู้เพิ่มพูนบุญบา ร, รมีของเราให้แก่กล้าขึ้นไปเพิ่มพูนสติปัญญาของเราด้วย ถ้าตายไปจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าขอให้สติปัญญาแก่กล้ากว่านี้เพื่อจะได้ละกิเลสให้เบาบางลงไปเรื่อยๆเกิดชาติหน้าอีกก็ให้มีสติปัญญาว่องไวกว่านี้เข้าไปอีกต่อไปก็หลุดพ้นไปเหมือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านไปได้เราต้องพยุงส่งเสริมตนเองตามรอยไปฉะนั้นจงตั้งใจทำความเพียร จิตที่ควรขู่ต้องขู่จิตที่ควรคมต้องคมจิตที่ควรยกย่องต้องยกย่องจิตที่ควรขู่ก็คือไม่สงบสักทีเดี๋ยวแวบไปนั่นไปนี่ฉลับไปนั่นฉลับไปนี่นัน่ น, นหละต้องขู่มันจิตระยะนั้นไล่ขู่มันเลยจิตที่ควรคมคือมันสงบแล้วประคองมันเอาไว้ คุมดูลาจิตไม่ให้ออกจากสมาธิเรียกว่าข่มจิตที่ควรยกย่องเหมือนอย่างทําสมาธิเหมือนเรามาอยู่ที่เนี่ละ่ะโอยอยากเดินจงกรมพอเห็นว่างรีบไปหาช่องที่เดินเดินอยู่ที่ไหนที่ไม่มีคนร่มไม้ที่ไหนอย่างที่วัดรีบไปเดินหรือว่าอยากนั่งรีบนั่งเลยตอนนั้นไม่สนใจเสียงหรอก จะสงบเร็วมากจิต ท, ที่ควรยกย่องต้องรีบทำจิตจะสงบเร็วมากก็รีบให้มีสติสัมปชัญญะตามดูจิตของตนดีๆเมื่อมันสงบเร็วมากมันจะได้จำการเดินทางของตนเองการปฏิบัติจาไว้ให้ดีเวลาเราทำได้เร็ ว, รวทำสงบแล้วทำสมาธิต้องทำอย่างนั้นขอให้กล้าหาร อย่าไปกลัวมันกลับเป็นโรคภัยไข้เจ็บกลัวตายอย่างนั้นอย่างนี้ยุงมากัดกลัวเป็นมาลาเรียอย่าไปกลัวยุงตัวเดียวมันไม่หามเราไปไหนได้หรอกขามันปวดก็อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นโรคเน็บชาอมมาพาศเอวมันเจ็บถ้าเราเปลี่ยนอิรยาบทมันนั่งไตมันทำงานหนักมันจะเป็นโรคไตเราก็ต้องไปเดินอยู่นั่นเองวิธีแก้ไขมัน เราเดินอยู่อยรรยาบทเราเปลี่ยนไปมาเรากล้าหาญอย่างนั้นอย่าไปท้อถอยครูบาอาจารย์ท่านทำมายิ้มทั้งวันเลยท่านหนังเหี่ยวหนังแห้งท่านยังยิ้มได้ตนเองยังไม่เท่าไม่แก่ถึงขนาดยิ้มไม่ออกเราต้องเอาสิท่านยังทำได้ผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกทำสมาธิความทุกข์ความสุขความโกรธความเกลียดมันมีเหมือนกันหมด ทั้งรักทั้งชังเขามีความสุขความทุกข์เขามีเหมือนกันหมดความเบื่อหน่ายเขามีเหมือนกันหมดเหตุฉะนั้นการปฏิบัติเขาจึงว่ามันมีเหมือนกันแต่สติปัญญาใครจะว่องไวกว่ากัน<ม>ก็ต้องสร้างสิเห็นว่าตนเองไม่สงบจะหยุดก่อนไม่ได้ดูเขาวิ่งแข่งกันถ้าเขาแพ้เขาก็ต้องไปฟิต ท, ทุกเช้าใช่ไหมฟิตเพื่อให้วิ่งเร็วขึ้น เราก็ฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นฝึกการปฏิบัติของเราให้แข็งแกร่งขึ้นดูอย่างนั้นถ้าใครมีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นสงบแน่ได้รับความสุขแน่เพราะเราไม่มีงานอะไรไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรเราละทิ้งงานทางกายไม่ได้ทำงานทางกายพิจารณางานทางจิตจิตตวิเวกจิตสงบถ้าจิตสงบแล้วอุปัฏิวิเวก จะไปละกิเลสเขาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อหาละกิเลสเพื่อให้จิตของเราได้ว่างไม่มีกิเลสจดจำมันจะได้สบาย